มงคละสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะควาสาวัตถียังวิหารติเชตวันีอนาถาบินดิกาสาอารามีอาถาโคอัญญะตระเดวตาอภิกันตายรติยาอภิกันตวานาเกวลักขปังเชตวันังโอภาสิตวา เยนาภควาเตนุปัสสังกมีโอปสสังกมิตวะภควันตังอภิวาเต a วะเอกมันตังอัตถาเ a เอกมันตังทิตาโคซาเดวตาภควันตังคาทายัตฉพาเซบุเดวาม c a m าจ g มังกลานิจินตยุง อาังขามานาโสทานังบรูหิมังคะระมุตตมังเสถวนาจับาลานังปันติตานันจเสวนาปูชาจัปปูชนียานังเอตัมังคะระมุตตมังปติรูปะเดสวะโสจัป an ุุเบจัตะปุญญาตา อ t ตาสัมมาปณิทิจเจตัมมังกลมุตตะมังบาหุสัจจันตสิปันจวิเนโยจาศุสิคิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตะมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะรัสสังโห อนาคุลาจักขัมมันตาเอตัมมังกลามุตต a มังดานั y จธรรม a จริยาจัญญาตการันจสังโฆอนาวัชานิก i e มานิเอตัมมังกล a มุตต a มังอารติวิรติป m ปามะจปานะจสัญญโม อาปมาโดจะท a เมโสเอตามัง a ลามุตตะมังคารวจานิวาโตจะสันตุทีจะกัตัญยุตากาเลนธรรมะสว a นังเอตามังกลามุตตะมังขันติจะโสวจัสตาสมานานันจะดัสนัง กาเลนธรรมะสากช้าเอตามงกลมุตตมังตโปจับลามจริยันจาริยสัจจานัสสนังนิบานสัจจิกิริยจาเอตามงกลมุตตมังพุทธสโลกธรมเมหิจิตตังยัสนกรมปฏิ อโซกังวิราชังเคมังเอตามังกลามุตตะมังเอตาดิสานิการดวนาศบัตธรรมปราชิตาศบัตถะโส h ิงคาชนติตเตสังม a ง g ลามุตตะมันเต